هذا هذا ب ص ا ئ ر ัซซัยร์อ ل ลัยบิลลาอิมีนอัล أمي يوكنون أم ح س ب الذي نجت رحص أ ي ا د ن أن جعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات و م حيهم وما ماتهم. ساميكمون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلق الله السماوات والأرض بالحق. ทลนักสิ ك งดีมากัสอาบัดวะ ا ي มลาญุล أ ف َ ر أ ي ت من اتخذ إلهه ووأضلله الله على علم ووأضلله الله على علم و َ خ ت َ م علم سمعه جعل على بصري مشاوة فما ي َ ه د ي ه من بعد الله أ ل َ ا ت َ ك ر و ن ว่าโคลُุะฮียอิُลัฮัยะตุนัดดุญยานามุดวานาฮียอว่ามายุฮลิกุนาอิลลัดดารุ و م َ ا لَهُمْ ب ِ ذ َ ل ِ ك َ مِنْ ع ِ ل ْ م ِ إِنْهُمْ إِلَّا ي َ ذ ُ ن ُّ و ن จัตุแลอ ت ไลหินอายาตุนาบายินามะหุจจะท่าหุมิลลังกะลุตูบีอา ا ئ อิ อิ่งคุนตุนสอดิทรีบิสมิลลาฮิร r a h m ح, ح م i r rahim บินะล h a m d i l รา حمده ونستعينه ونستقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ياهله الله فلا مضلله وما يضلل فلا هاريه له وشرولا إله إلا الله وحده لا شريك له ขอส س ุดَนะ ا ุฮัมมั و َ م ะอับดَุฮุวะรรษูละ س ัล ل อ ه ุนบิกะอัลบ أ ฮ์ و ะวบิกَ ا ัมซัยนะว ل ิกะน้ําหยาวบิกะนับุตวัยละกَนมุชูร์อาอุบิกะลَม่าติลลาฮิตَมะติُิญชาริมะฮัลักบิสมิลลาฮิ ا ลาลิลายัดَรุมะอัลมิَิจายุมฟิลอาَดิกวะลาฟิสต ل มาวะหุวُซามีอัลอาลิมรดีตุบิลล ا ฮิรับบะวบิลอิ ฟุบีมุฮัมมัดอิมรุสูละอัลลอฮุมะอินีอาอุบุคจากินักัสลีวัสูอิลกิบรีรับบีอาอุบุคจากินอาดับบินฟินนารีว่าดับบินฟิลควบรีอัลลอฮุมะอัฟินีฟิบดานีว่าฟินีฟิซามัยว่าฟินีฟิบัซรีสุบฮานัลลอฮฺวับิฮัมบิอดคลกวริดนัซีวนอรวมิดาดลิมต ยา حيو ياقيوم برحمتك أصلغز أصلح لي شأني كله ولا تكنى إلى نفسي ططفة عادين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี S <S <ess> ่น้องที่ร่วมเนมัสสวดที่มัสยิดอันวาินลพี่น้องที่ติดตามตบสกอัลกุรอานผ่านเฟซบุ๊กสว่างในบ้าที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านทุกท่านชาเลยละขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้อัลลอฮ์ให้ผม ป่ยแล้วก็ความชั่วยวันนี้กาัมาทํางานทําหน้าที่เดิมนะครับไม่ทราบว่าจะอ่านครบพระอายะหรือเปล่าจะอ่านไว้ห้าอายะหรือสงสารมายะก็ยังดีครับก่อนที่จะอธิบายคุณอ่านก็ขอเล่านะครับใครอยากจะให้บ้านมีบราระกัดไหมให้ทํามแปดข้อนะครับซึ่งเมื่อคืนวันเสาร์นี้ก็พูดแล้วที่หลังจากนามาตรวิ ทำให้บ้านมีบระกาศตรงทาแ8ดข้อหนึ่งก่อนก่อนข้าวบ้านให้ให้สาลามให้ให้อันบิสมิลลาห์ก่อนแล้วก็ให้ให้สาลามทีหลังก็จริงดูอาด่านก่อนเข้าวบ้านนะบีนะอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลลกะคอยรอลมาลละจีวะคอยรอลมัฮฺรัจบิสมิลลาฮิวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิขุรจาณาวะลาลลอฮิรับบานาทูกะนะนี่สุนานะนบีนะไม่ใช่ตัวอสอนอนะั้นนบีสอนนะครับ ประการที่สามให้อ่านกุณอ่นอานในบ้านประการที่สามให้ขออภัยโทษอัศักรยลรอดในว่ากัเยอะๆให้ให้พ่อพ่อว่าแม่ว่าทุกคนในครอบครัวว่าคำนี้ฉันขออภัยโทษ ต, ต่อรอดในบ้านนะเ <_ D> มื่อได้เวลานมัสาถ้าไม่มาไม่ใช่ให้นมัสาที่บ้านแล้วก็เรียกลูกหลานให้มานา ม, มัสารพร้อมๆกันที่บ้านทำจะทําให้บ้านมีประการข้อที่ห้ามันบริจาคสม่ําเสมอข้อที่หก ถ้าที่บ้านเป็นออฟฟิศค่อยเปิดออฟฟิศแต่เช้านบีสัง่งแบบออ้บรกักเตอรฟีบูกูรีฮะบรกักการมันมีอยู่ตอนเช้ามันจะมีอตอนสายค้อที่เจ็ดให้มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺฝึกตนให้มอบหมายตนต่อเราจากบ้านพยายามคุยกับลูกคุยกับภรรยาว่าเรานี่มอบหมายตนต่ออัลลอนะอย่าคิดว่างานทุกอย่างเราทําสําเร็จคนเดียวไม่ใช่ความสุขโยที่อัลลอฮฺสบพานอะูบูตาละ ขอที่เตะให้ติดต่อกับเพื่อนบ้านอย่าทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านเขาด่ามาเราทำไมได้ยินบ้างก็ได้ยิ่งเดือนละมดลเนี่ยให้ส่งอาหารกันนะเรื่อเล็กในน้อยนี่จะทําให้บ้านท่านมีบราริการแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากให้มาเลายกขออนุญาให้ไหม มาลายกาจะขอถวาให้เนี่ยมีอยู่สิบสองที่ที่ที่หนึ่งคนที่มารอนมาที่มัสยิดมานั่งรอสักห้านาทีสิบนาทีมลายกาจะขอดุอาให้อย่าลืมว่ามาลายกาขออาทนะิศขอเรื่องดีแต่มันจะขอเรื่องเลวนะขอจอากอัลลอฮ์ถามว่ามาลายกาขอกับเราขอนะใครรับอลัลลอฮ์รับอุทิของใครมากกว่ากันถ้าของมาลายกาข้อที่สองลุกขึ้นทานอาหารสะฮุษ ขณะที่นั่งทานอาหารทศมเลกาขอดุทิให้เ ร, เรื่องเรื่องเรื่องที่สามมานมาที่มัสยิดเวลาซ อ, อกของมิวห่างๆอยู่ใช่ไหมพยายามแทรกเข้าไปให้ซอกมันเต็มไม่ใช่ห่างซอกห่างห่างกันเนี่ยนั่นมันจะซุน่านนะีซุน่านที่ไม่ต้องซอกต้อชิดกันให้ตาโตมชิดกันด้วยนะครับคนที่เป็นหัวเรื่องซอกเนี่ยมเลกาจะขอดุอาให้ ดีมามันมันกันไม่ใช่ข้าวแถวตักบ็ดเลยตัวหันมามองอย่างน้อยสองซอกนะซอกหนึ่งที่สองต้องตรวจซอทังนั้นนํามาไป่ซอดมาใช้ไม่ได้ดีมามจําเป็นมากนะครับแค่ดีมานะไม่ใช่เสียงดีอย่างเดียวอ่านแล้วก็ต้องมีอักษรสุนัขนาบีด้วยหันมามองซอกที่หนึ่งที่2สองมองและผู้จอดีๆเอาซอกไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะชี้ด้วยมาเดินมาทางซ้ายทางขวาเดินนบีทางไปอย่างนั้นนะครับ ทำไมต้องอ้างนาบีเพราะนาบีเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับเพราะอเราท่งท่งทงนบีมาอยู่กับเราหนึ่งยี่สิบสามปีนะมาทำเป็นแบบอย่างจนจะทิ้นนบีไม่ได้มีแต่ ก, กี่้อแลวเนี่ย นีอ่าลยครับฮาาบซอรุลินัสฮาดาแปลว่าอันนี้มาึงกคำนอ่านเล่มนี้ฮาดาแปลว่าดสอันนี้ก็มาถึงกูอ่านเล่มนี้เนี่ยกลังพูดถึงนอ่านอยู่ฮาดาบซอยบบซอิแปลว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดลินัสตมนุษย์ทั้งหมด ไม่ใช่มุ่งมินอย่างเดียวมนุษย์ทั้งโลกเลยเจ็ดพันล้านเนี่ยถ้าอ่านคุณอ่านหนีชอนเราเข้าใจเข้าใจกุรอานเป็นที่ชัดแจ้งเข้าใจอะไรง่ายเพราะคุณอ่านนียุซูรเป็นที่ง่ายได้ไม่ใช่ยากเนี่ยอลัลลอฮฺสั ญ, ญาว่าฮาจาบอซออีรูลินนาสแทจีนคุณอ่านเลรมนี้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดกับลิน น, าน้าแก่ฮิวแมนบีนกับมนุษย์ทั้งหมดเลยเยอาต่อมา ฮาดาบซออิรุลินนาสวาหูดันวักวักบทที่สองนี้เฉพาะเจาะจงนะครับวาหูดันเป็นทางนําวรหมาตันเป็นความเมตตาลีกามีนแกกลุ่มชนที่อยู่ในโน่นที่มีความมั่นใจในอลัลลอฮ์องเดียวอย่างพวกคนมุสลิมทั้งโลกมีสองพันล้านใช่ไหมถ้าอา่านกุลอานเนี่ยให้ใด้ได้ทรงอย่างละได้อะไรนะได้วูดาวารหมา ได้ทางนำในความเมตตาเนี่ยรอเชี่ให้ น, นายคพีกุณอา่านเรื่นี้ไม่ต้องเหนื่อยอ่านอ่นกูอ่นอานให้เข้าใจอย่างเดียวได้ความรู้เพิ่มฮาจาบอซอีรูลินคําพีกุณอ่านเลื่อนี้นะ่ะเป็นที่ประจักษ์ชักแก่มนุษย์ชาตทั้งมวลวาหูดาอันนี้กลุ่มเฉพาะกลุ่มที่ศรัทธาต่อลอ่านั้นคุณอ่านคือฮูดาเป็นทางนาบารามาดาเป็น เป็นความเมตตาลีเกาหมิ่แก่กลุก่มชนอยู่กินูนที่มั่นศรัทธาเนี่ยยกีนว่อวมั่นใจในอลัลลอฮ์อย่างอย่างพันบอาเซนเอตอมากับอัมฮาสิบัลลาลีนะจตาโรฮุสัซ ย, ยัตฮัสิบัลแปลว่าคิดอัลลีนะจตรารุแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติอัซไยอาความชั่วทั้งหลาย อันน่าจะอาดา้แล้วฮุมจะให้เราทำเขาเหล่านั้นเหมือนกับคนที่อีหมานกันนั้นหรือก็เป็นอย่างนี้มีประวัติเนี่ยข้อสาเหตุรวมกุนอ่านคือไซนาอัลีไซนาฮัมยะเดี๋ยวมีสาลาบานาเบียสามคนนั่งคุยกันกับคนกาฟเฟียตสามคนเขาเขาก็ดูถูกอัลลอฮ์น่นนะเพราะพวกคุณไม่เห็นมีอะไรแล้วคุณก็สอนจแล้เรื่องใจแล้เวเรื่องสอนไม่เข้าท่า เช่นสอนบอกว่าตายแล้วต้องฟื้นตายแล้วมีวันกิยามาเนี่มันเชื่อได้ยังไงเนี่ยถ้ามีวันกิยามาเนนะ่ยพวกเราเป็นคนกาฟเฟตก็ต้องดีกว่าคุณอยู่แล้วเพราะบนโลกดวงยาบริชายก็ดีกว่าคุณบ้านใหญ่กว่าคุณมีนุน่นมีนิ่งมากกว่าคนมุสลิมคุณจะไปอ้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างเดียวมันไม่ได้เขาด่ามุสลิมอัลลอฮ์ก็เลยไม่พอใจคํำพูดของค น, คนกาฟเฟต์สามคนนั้นก็ประชาอันกุองอานลงมาว่าไงนะ อามฮะซิบะล่ะด ah um ีนจิตาละหูสายอัตฮะซิบบะเป็นวิคิดอัลลาดีนับดาผู้ที่อิจตาระหูที่ปฏิบัติอสายอัตอว่าความชั่วอันน่าจะอัลลอฮุมเราจะทําให้แก่เขาเหล่านั้นกันละดีเหมือนกับผู้ที่อิมานและผู้ที่มีอามันตุสเลาว่าอนประวัตเท่ากันหรือไม่เท่ากันอันรอให้ไม่เหมือนกัน มหายาหุมตอนมีชีวิตอยู่ว่ามามาตัวหุมแล้วตอนตายก็ไม่เหมือนกันมาดูยินตอนตอนตอนมีชีวิตอยู่บนดวงใจนี่คนมุ่งมินเขาเขาบื่อกันเดินเดินมาดอจมะมาคนกลับเวรบวชเปล่าไม่บวชมาดูตอนตายนะ <c oughs> ในคุรานอายะอือ่นอธิบายบอกว่าวันนาซิอาตุุกอวันนาซิตาตุนสัสกอ มาเลยก้ามาเอาวิญญาณพุทคนพุทธพุทศรัทธาเนี่ยมาเอาแบบนิ่มนวล น, นาซีอัลลอฮฺกระชากแบบแบบแบบแรงๆวันหน้าสิโตตินัสตแล้วก็มาเอาวิญญาณคนมุบลินแบบนิ่มนิมตอนตายก็ไม่เหมือนกันตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่เหมือนกันชีวิตไม่เหมือนกันเนี่ อ, ลอัลลอฮฺละเอ๋ยนบีฟังนบีก็เามาอัดมาอธิบายให้พวกเราต่อเราก็มาอาธิบายต่อกันนะถ้าท่านจะมองคนจะไปกับกมุสมินเนี่ยเด็กก่ามุสมินไม่ได้ ต้องตามความมุมินอยู่แล้วทีนี้เวลาตายกรมการคนมุมินเวลาแบบใส่ลงปั๊บเนี่ยจะพูดว่าอย่างนี้กอดดีมูนีรีพาฉันไปไวๆถ้าคนกาเฟสพอแบบใส่ลงปั๊บเนี่ยจะพูดว่าอีลาไอนายาฮาบูนนะบีฮาจะพาฉันไปไหนฉันไม่อยากไปแล้วก็พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยนบีสอนบอกว่าแผ <c oughs> ่นดินมันจะรัด คนมุสลินแผ่นดินก็รัดมืนกันรัดแบบแม่รัดรัดลูกอ่ะกอดด้วยความรักแต่คนกาเฟ่นี่ยแผ่นดินก็รัดรัดต้องสีโข้ประสานกันแบบนี้ด้วยความหวานใจที่โดยอยู่บนโลกดุนยาบาริแล้วก็ทําผิดทําน่นทํานี้ดื่มเหล้าเในการพนันทําดินาทําสารพัดทุกอย่างของที่อัลลอฮ์ห้ามมันทําหมดเลยแผ่นดินก็หมันใจเวลาตายเนี่ยแผ่นดินมันจะรัดจนกระทั่งกระดูกประสานกันอย่างนี้แล้วก็มีคออีก ถ้าตอบคาถามสามคําถามไม่ได้มารุ บ, บูกมามันนาบียุกามันอิมาโมก ะ, มบบกะตอบไม่ได้ถูกคอนแต่มูมินตอบได้ใช่ไหมตอบได้ก็คือเพราะอิ ม, มานทุกเราอยู่บนโลกดุจยานี้ก็คอนไม่มีครับแล้วเราก็จะให้เห็นภาพสวรรค์ภาพนรกว่าจะอยู่ในสวรรค์อยู่อย่างนี้อย่างนี้อยู่นอนอยู่ในกูโบในเหตุภาพหมดเลยแบบนอนฝันนะถ้านคนตาเปรย์คนมูมินไม่เหมือนกัน อยากเข้าใจว่าคนกาเฟตดีกว่ามุบิน่ะไม่ได้เข้าใจผิดนะอัมฮบาซิบัลลนัสตะรหูอิศตะรหูบวอิตาสะบูรหามาได้หรือว่าทมหรือว่าปฏิบัติอัศรยาปว่าความชั่วเป็นเผ่าพันอุของอัศยตุนซัาดันอัอันนัจอลลัลฮม เราจะทําแต่เขาเหล่านั้นเหมือนกับคนที่มีอิมานและคนที่มีอามานติซอแล้วเท่ากันหรือมหายาคุมตอนมีชีวิตอยู่ของพวกเขาจะก่อนตอนตายของพวกเขาซาอามายาคุมโอนซารป ว, ว่าชั่วช้าสิ่งที่เขาตัดสินคือคนที่ตัดสินว่ามุสลินกับมุสลิมเนี่ยเท่ากันหรือว่าคนกาเฟนดีกว่ามุสลินเนี่ยนั่นเป็นการตัดสินที่คําตัดสินที่ชั่วเนีย่ยรอเตือนเลยนะ มันมองมุ่งมินเด่นกว่าถึงจะจนกว่าก็เด่นกว่าเด่นกว่าด้านด้า น, น, นอีมานด้านศรัทธาต่ออัลลอฮสุบาโ น, โนูตอาลไแค่แบกลงไปไปไปกูโบเนี่ยคนกาเฟ่บอกว่าไงนะคุศบศบที่ตายเนี่ยจับตะโกนบอกว่าอีลาไอนายาสฮาบูนนะิฮาจะพาฉันไปไหนแต่คนมุ่งมินจะพูดว่ากอดดิมมนีให้รีบพาฉันไป ภาษาก็ต่างกันแล้วเอาต่อมากับะ้อที่22ว่าข้อละกอลลอฮุสหามาวะทีวัลอาร์ดดอบิลฮักค้อละก็แปลว่าสร้างสร้างโดยไม่มีแปลนนะอัสสัมอัลลอฮอัลลอฮเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายทั้งเจ็ดชั้นวัลอาร์ดดอบและแผ่นดินบิลฮักเ ป, เป็นความจริง พิสูจน์ได้เลยใครสร้างแบบมึงก็รอดได้ไหมล่ะวัลลีตูจะาแล้วก็ถูกตอบแทนกุ ล, ลกนูนักสินทุกชีวิตทุกคนถูกตอบแทนบิมากาสาบัตตามที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้เขาทำอะไรไว้นะไม่ว่าบาปเล็กบาปใหญ่อลัลลอฮ์ลงโทษหมดถ้ามีของดีทำเล็กนึงอัลลอ์ก็จะให้เห็นหมดเลยวัลลีตูจะเขาจะถูกตอบแทน กุลนับสิ่งทุกชีวิตบิมากัคสััตสิ่งที่เขาได้ขวนขอยเอาไว้ว่าหุ้มลายุเรมแล้วพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมคือทำความดีได้เท่าไรก็ได้ตอนนั้นไม่เพิ่มไม่แถมทำห้าก็ได้ห้าทำสิบก็ได้สิบทำหนึ่งก็ได้หนึ่งเอาต่อมากับอายาที่ยี่สิบยี่บสาม อาฟารอาิตามนิตตาโคซาอิลาฮาหูฮาวาอาญาณีดีมากเตือนนาเตือน น, นนะท่านเคยสังเกตไหมเราอาไปะว่าเห็นเคยสังเกตไหมเคยดูไหมมันผู้ที่อิตาพระเจยุดอิลาฮาหูเป็นพระเจ้าฮาวาหูอารมณ์ยึดเอามอารมณ์เป็นพระเจ้าน่ะเคยเห็นบ่าวสังเกตง่ายๆเนี่ย คำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่เรียกว่าอารมณ์นะเรียกว่าวะฮีแต่ความสั่งที่มาจากมนุษย์เนี่ยเรียกว่าอารมณ์หมดเป็นอารมณ์คอยหมามไหนก็ตาเป็เรียกว่าอารมณ์หมดความคิดของมนุษย์เรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่ถ้ามาจากอัลลอฮ์เรียกว่าวะฮีผ่านนบีเรียกว่าวะฮีถ้าผ่านคนเรียกว่าอารมณ์คนที่ยืดเอาอารมณ์เนี่ยเป็นพระเจ้ามันเคยเห็นไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยหลง อาลอินมินทั้งๆ ท, ที่เขามีความรู้มาหน้าเบอร์สันไปประเทศอเมริกาตัวยุโรปเขาบอกคนคนยุโรปนี่ความรู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ลงลงลงนโลกเพราะความรู้ที่เขาอยู่เป็นความรู้เรื่องเรื่องดุนยาหมดเลยเช่จนจัดถนนยังไงให้สวยไฟเขียวไฟแดงไม่มีใครผ่าไฟแดงใช่ไหมแต่มุสลิมเราควรใช้ังไงบราได้ยเสียงอาญาจียังยังผ่าไฟแดงเลย ไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหยเขาก็เปรียบเทียบให้เราเห็นหลายๆเรื่องอาฟารไอ้ท่านท่านเคยสังเกตไหมคนที่ยึดเอายึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นเป็นเป็นพระเจ้าอีลาไปว่าพระเจ้าคนที่กราบกราบกราบอารมณ์มีเปล่ามีครับเช่นอะไรบ้างเนี่ยนอนไมมยอมลุขึ้นสนะมาสมาสุโบนี่ก็ยึดอารมณ์เป็นพระเจ้าแล้วนะ และเป็นยังไงเนี่ยที่ทบ่อยๆก็อัลลอจะให้คนนั้นหลง ท, งทั้งๆ ท, ที่เขาเป็นมีมีมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อ ย, ว, ย, ว, ย, ว, ยว่าข้อตามากแต่ว่าประทับตราอลาซามฮีบนบนหูของเขาว่าก้อนหีระหัวใจของเขาว่ายาอลาอลาบสริีแล้วก็ทําทิดดวงตาของเขากิชาว่ามีที่คลุมอยู่มองอะไรไม่เห็นเลย เวลายึดมือถามยุดนั่นเปียกเลยมีคนถามปัญหาผมว่าว่าเราในยึดบือถับชาวีเวลาไปทํบ ม, มากประทับพทธรรมองค์เรอที่มาเกิดเดินตะวับเนี่ยถูกผู้หญิงแล้วทำไงละ่ะเสียน้ําน้ำนมาที่ว่าต้องไปอ่อนอานอานอาบน้ำก็ปล่อยให้อาบไปเถอะแล้วก็มีอยู่คนบอกว่าก็เปลี่ยนเนี้อเส้นเนื้ประทับเนี้อชาวีบบเอฟบัตบานาเฟซะคนนบีไปไหนมีเลไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เอาไม่ยึดน บ, บีน บ, บีบอกว่ถูกผู้หญิงไม่เสียน้ําน้ำมา ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคยอ้างนาบีอ้างแต่มัทธับมัทธาบมัทธาบอย่างเดียวเลยต่อมาครับพมายญาดีผู้ใดที่ถูกชี้ถามนำให้มีมบ้าดีลาหลังจากอัลลอฮ์จะมีใครอยู่ไหมหลังจากอัลลอฮ์แล้วจะ อ, อยู่ในทางนำที่ถูกต้องเนะี่ยไม่มีแล้วคือยื่น Allah, อัลลอฮ์เราสู้เนี่ยถูกต้องที่สุดนะนะคุณอ่านเป็นทางนำส่วนวิธีปฏิบัติจะทําตามนาบีนั้นปลอดภัยที่สุด อาฟ้ลาละตาตาจาคารูลผูกท่านยังไม่ได้รำลึกถึง Allah อัลลอฮ์ีกงหรือต่อมาอายะที่ี่2ิ2ยี่ ว่ลมาอลตุนักาอนี่ลลลลอกิดะงคนะพราะเขาเข้าว่ามะยอิลลัฮัยาตุนดุนยพวกเราเนี่ยไม่มีเฉพาะชีวิตบนดุนานี้เท่านั้น นามูต้ตัวเราตายแล้วก็มีชีวิตยอยู่บนโลกดุนยานี้เท่านั้นแหละว่ามาโยริคุนาแล้วก็ไม่มีอะไรมาทําลายเราได้อิลลัดได้เรานอกจากวันเวลาอัลดาเราแปว่าวันวันเวลาคนคาเฟเชื่อว่าที่อยู่อยู่ไปเนี่ยมันตายเนี่ยเพราะเพราะวันเวลาเพราะอายุแก่แกไปวันเวลาทำให้เขาตายเราเชื่อแบบนี้ไหมไม่เชื่อนะถ้าเชื่อว่าทีเ้เ ป, เป็นเป็นเป็นคนคาเฟ น, นะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้เรา ตายอาลัลลอฮ์ให้เราเปิดอลัลลอฮ์ให้เราตายการจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเข้ามาทางไหนเราเป็นมีอยู่ทางเดียวนะผ่านมนุษยถ้าจะออกจากโลกใบนี้มีอยู่ทางเดียวผ่านอะไรผ่านความตายอย่างอื่นไม่มีครับยะฮูดีมันต้องการที่จะผลิตเดียวขึ้นมาไม่ผ่านมนุษย์แต่มันทําไม่สําเร็จนะ่ะเนี่แข่งกันหรอแล้วพวกเราก็ฮือฮาหอบ ห, หมกกับคนยะฮูดีด้วย ขนาดทำกิฟเนี่ยอยู่ในหลอดแก้ววันลาต้องฉีกกรบเพาะมดลูกของผู้หญิงใช่มถึงถึ ง, ถ, งถึงจะเป็นลูกได้แสดงว่าจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบานี้มันต้องผ่านมดลูกจะออกจากโลกดุนยาใบานี้จะผ่านความความตายตอนนั้นจะมีสองทางอย่างอื่นไม่มีคนกาแฟเชื่อว่า haya tuna dunya ชีวิตของเราคืออยู่บนโลกดุนญานี้เท่านั้นนามูตุเราตายแล้วเรามีชีวิตอยู่วามายูลิกุนาไม่มีสิ่งใดทําให้เราตายได้นอกจากวันเวลานี่ที่แรกผมก็เชื่อแบบนี้แหละคิดตอนเด็กนะคิดว่าเอ๊ะทีต่ตายตายไปอัลละฮฺเมดายตายวันเวลาทําให้คนตายใช่ไหมแต่อ่นานคุณอานอันนี้เตือนเลยว่าไม่ใช่วันเวลามันไม่ได้เกี่ยวกัน เวลาไม่ไม่สามารถทำให้ใครเจริญได้นอกจากอัลลอ์จะให้ใครเจริญใครใครใครตกตามอย่าดาวันเวลาชีนร้อนไปหนาวไปฝนตกอย่าดาลราตสุมบุญได้เราฟัอินอัลลอฮ์ห ว, วด้านับเยาวอย่าดาวันเวลานะว่าวเวลาอัลลอ์เป็นเจ้าของเวลาเท่ากับดาอัลลอ์ ว่ามาลหล่มบิดาลิกามิรู้เรียนพวกเขาไม่มีความรู้อินหัวอิลาอินหุมอินลาญรุนพวกเขาไม่มีอะไรนอกจากญรุนนู่นแปลว่าเดาๆพูดเดาๆจนตัวเองไม่มีหลักฐานประกอบคนกาเป็นอัลตำนี้นะเนี่ยญรุนนู่นอยู่ด้วยความเดาหมดเลยพูดก็เดาๆเอาแต่ของเรานี่มีหลักฐานชัดเจนจากอัลกุรอานแล้วก็สุนัข น, นาบีนะครับ ต่อมาอายาที่25ไวราตุทะลาอัลลยหิมตุทลาระวถูอ่านถูกสาธยายอัลลหิมแก่พวกเขาอายาตุนาแปลว่าอัลกุรอานที ا آ ่สัญญาณของเราี่ถูกอ่านแก่พวกเขาบายินาแบบชัดเจนมาการหุาจะทุมหลักฐานความพวกเขาเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเขาจะพูดว่า จงนำผูญาามามา้ญาตายายมามาสิจะอ้างผู้ญาติยายเสมอจะจะจะไม่อ้าง อ, าอ่อนเราเราซูลอ้างปู้ญาตาอาบาแปล ว, ว่าผู้ญาติยายจงนำเบี้ยจากบ้านข้าบุรุษของเราอิงกูลตูมสอเด็กกินเท่าพวกท่านเนี่ยสัตว์จริงถ้ว่าตายตายเราฟื้นเนี่ยให้คนแ ก, แก่ที่ตายแล้วเมื่อรอยเปรีให้ฟื้นขึ้นมาก่อนสิถึง จ, จะเชื่อว่าเลาจะให้เป็นให้ตาย นีุรอานอธิบายเหมดเลยว่าคนคาเฟนจะเชื่อว่าจะอ้างปู่ย่าตายายเป็นใหญ่วันนี้ก็เหมือนกันสุนัขนบีมไม่เคยเอาก็จะเอาปู่ย่าตายายพออ้างปู่ย่าตายายจะพวกฉันถ้าเอาอ้างสุ น, นัขนบีก็น่าม่ บ่ยิ่งาตุทละอัลัยหิมอายาตุนับไบยินาตมักานะพุทธาทุหุมอิลล์อังกาลุกาลุตุบีอายาบีอาบาอินาอิงกุนตุมซอดีตีนยามาองค์การทั้งหลายชัดแจ้งของเราถูกสาทยายแก่พวกเขาชีวิตในประโลก เรื่องอัลลอฮ์เล่าว่าชีวิตในพรโลกมีเนี่ยพวกเขาก็โต้แยง้งถ้ามีว่าพรโลกจริงก็ต้องให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้ น, นมาสักคนสองคนสิถึงจะเชื่อว่ามีปวันิพรโลกจริงจงนําบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นกล่าวขึ้นมาสิถ้าพวกท่านพูดจริงเนี่ยนบะีถูกเล่นงานตลอดเวลาเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังบระคนอาหร랍บนี่ก็ไม่เบานะี่ นบีสอนอยางมันก็ขวางอีอย่างหนึ่งเรื่องอัคีดานี่ลายจังใหญ่ที่สุดอ้ยายที่ยี่สิบหกเลยไปแล้วกุลินจมกล่วาวเทิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์เนยุฮยยกลุ่มให้สู่เจ้าเป็นมีชีวิตอยู่ซุมมาอยู่มีตุกุมแล้วให้สู่เราให้สูงเจ้าตายซุมมาญาจมอกักลุ่มแล้วก็ให้ผู้เข้าในรวมตัวกันถูกรวมตัวกันอีลายามินตยิย์มัก ไปในวันกิยามะละาลอยบารฟีไม่ต้องสงสัยคือมนุษย์จะมีก็อย่างนี้ตายกี่ครั้งนะตายสองครั้งเกิดสองครั้งตายกรัตายครั้งแรกอยู่ในคันมันดาในคารีวาตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาบนโลกดุนยาแบบนี้มันจะเกิดครั้งแรกแล้วต่อมาตายอีกแล้วก็ฟื้นอีกวันกิยามะตายสองครั้งเกิดสองครั้งแล้วก็ซุ่มมายาจิมาอุกุมแล้วก็ถูกเอาไปรวมกันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากจาก จากหลุมฝังศพแล้วก็ไปรวมกัทีทุกมาชัดอุลิลอฮุยุฮิเคุมซุมมายูมีทุกุมซุมมายะมะอุกุมอิลัยอุมิลติอามะลาลอยบาฟีตรงนี้สำคัญลาลอยบาฟีฟื้นจริง ไม่มีข้อสงสัยวลากินอัครนาแต่มนุษย์ส่วนมากเนี่ยลายะัไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะไม่ไ ม, ไ, มไม่จะไม่จะใส่ใจอิสลามอัลลอ์ก็วินงเวลาไว้ตั้งทราบส0มสบปี40บปีได้อิสลามมาตลอดอ่อมารับวาลิลลาฮิมุลกุสซามาวะทิวัลลอฮฺเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดนะลิลลแปลว่าบิลองทูอลัลลอฮฺ มุลกุศมาวานาจากแห่งชันฟ้าและแผ่นดินวายามตะกูมุสละดวันฟื้นคุณชีพนั้นมีจริงครับเยาวไม่ดินในวันนั้นเนี่ยยักษารุ่นมุบติลุนคนที่คนชัวน่วคนบาตินคนทาบาปเนี่ยขาดทุนหมดเนี่ยอ้อนเล่าให้ฟังนะคนที่ไม่เชื่ออ้อขาดทุนหมดเลยนะตั้งแต่ ต, ตายแล้วกระชากวิญญาณก็กระชากแรง มุมมินกระชากค่อยๆเบาๆกรอานมีไม่มีครับอินนัลลกาลูรบบุญอัลลอฮฺซุมาสต์ตคมูตัดเนซัลุอัลเลห์มุลมาลาอิกะอัลลาตข้าฟูวะลาตฮฮซันูวะอับซิรูบุลจันนติลลติคุนตุตูอาดคนมุ่มมินตายมาเลยกาจะมานั่งที่ศีรษะแล้วก็มาเชิญวิญญาณออกบอกว่าออกออกออกวิญญาณก็จะไหลออกมาแล้วก็บอกว่าไงนะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องไปไม่้ไมอไปโศกเศร้ากลัวเรื่องข้างหน้าการกังวลเรื่องเรื่องข้างหลังไม่ต้องห่วงเรื่องลวกเรื่องเมียเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินไม่ต้องห่วอองอะไรจะดูแลแทนกุดปลอดใจวิญญาณทําวิญญาณออกง่ายหรือออกอยากก็ออกงาอ่ายจะมีเป็นต้นส่วนคนคาเฟนน่นวันนาเซียตัว ก, ก็กระชากแบบแรงๆส่วนมุ่งมินวันนาซิตอตุนัสตอ ทำแบบนิ่มนวลในคุรอรานสัญญาอย่างนี้ให้ให้ขบีมาสอนว่รารอคุลอุมะตินยาสิยายังไงยาสิยาชื่อของสุรานี้ท่านจะได้เห็นบอกกับกนบีมุฮัมมัดท่านสามารถถ้าเห็นได้ก็จะเห็นว่าทุกประชาชาติเนี่ยยาสิจะนั่งคุกเข่าในวันเกียร์มากนะนั่งคุกเข่ากันหมดเนี่ยขอร้องอลัลลอฮฺอลัอลลอฮฺจ่าอย่าลงโทษฉันเลย ยาสิยแววะแปลว่าคุกขา่าวกุลุลมาตินทุกประชาชนตั้งแต่ดบเอาดามาถึงนบเบิลย ม, มุ h a m ทุกยุคทุกสมัยเนี่นะตูดอาจะถูกเรียกอีลากิตาบตามสมุด บ, บัญชีที่เขาได้ทํำมาไว่าอัลลอฮ์เรียกไปหมดเลยทีละคนละคนละคนละคนอัลเยาวมาตูจเจซาววันนี้พวกท่านจะถูกตอบแทนมาคุณตุมต่างมาลุนี้อัลลอฮ์เล่าภาพในวันภพใ น, น, นวันเกียร ม, มากนะ ถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบมาไว้ฮารากิตาบุนอาสมุดบันทึกของเรานี่แหละยามเด็กุสาธยายหรือพูดกุลอะไรกุลขานผูกท่านทั้งหลายบิลฮัก้วยความจริงเพราะมีมารากิการใช่ไหมซ้ายคว่าที่อยู่กับเราเนี่ยคอย ม, มารากิการท้ายบันทึกความชั่วมารากิการความบันทึกความดีนี่แหละจะเป็นหลักฐานยืนยันให้เราในวันเกียร์มา เราจะได้เห็นสมบนบันทึกของเรานี่ถูกกางแพรอยู่เลยยาสียาแปลว่าคุกขานะเนี่ยเราเล่าภาพทำามต้องคุกขาวอยู่บนดุยานี่ไม่เคยคุกเคยจะกลั่มใช่ไหมแต่พะวันเกียร์มาไปพอเห็นอาสาบตัวเองเท่านั้นล่ะยาสียาคุกข่าวไปหมดเลยทั้งเขาทั้งสอกรวมหเลยแบบ แบ บ, แบบแบบแบบแบบแบบหมาน่ะตออหน้าอลัลลอฮ์นี่ยขูเขาอลัลลอ์จะอย่าลงโทษฉันเลยฉันเชื่อแล้วว่าวันกวนเกียงม้ามีจริงแล้วก็วันคุ้นคืนซื่อมีมีจริงไปสัตยานในวันนู้นน่ะช่วยได้ไหมล่ะช่วยไม่ได้ ขบเ้าขาขอบพะคระบุเาขาบะ้าอบุณพะเจบพอะาอาะอออรุะะออรุบะออครบอุาอะ